67รวมเรื่องที่มีในมหาคันธกะข้อหนึเพราะภิกษุผู้ฉลาดในพระวินัยอันมีประโยชน์มากอันนำความสุขมาให้ภิกษุผู้มีศีลดีงามในการข่มภิกษุผู้ปรารถนาต่าําซ้ําในการยกย่องภิกษุผู้มีความไายในมหาวักคันทกะและจุรวักคันทกะในภิกขุนีวิพัง์และภิกขุนีวิพังในคัมภีบริวาร ในพิขุปาติโมกและพิคุณีปาติโมกอันทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอันเป็นพุทธวิสัยแห่งพระสัพพันญูไม่ใช่วิสัยของบุคคลทั่วไปอันกเกษมที่ทรงบัญญัติไว้แล้วและปราศจากข้อสงสัยย่อมปฏิบัติโดยแยบคายนับว่าเป็นผู้กระทำประโยชน์ผู้ใดไม่รู้จักโคผู้นั้นย่อมรักษาฝูงโคไว้ไม่ได้ชั้นใดภิกษุก็ชันนั้น เมื่อไม่รู้จักศีลชนะยจะพึงรักษาสังบรได้เล่าเมื่อพระสูตรและพระอภิธรรมเลอะเลือนไปแล้วพระวินัยยังไม่เสื่อมสูญพระศาสนาย่อมดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวหัวข้อเหตุแห่งการสังคายนาตามความรู้โดยลำดับขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าวการที่จะแสดงวัตถุนิทานอาบัตไยยะและปยยา ให้สิ้นเชิงนั้นทําได้ยากท่านทั้งหลายจงทราบข้อนั้นโดยในเถิดในขันธกะมี172เรื่องคือเรื่องเหตุการณ์แรกตัสรู้นักควงต้นโพธิพลึกเรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่นกควงต้นไอชาปาลนิโครธเรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่นักควงต้นมุจลินเรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่นักควงต้นราชายตนะเรื่องเท้าสามบดีพรมอารัธนาให้ทร ง, งแสดงธรรม เรื่องอาราระดาบทการามโคดเรื่องอุทกาตดาบทรามบุตรเรื่องอุปการชีวกเรื่องทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวคีคือโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัศชิเรื่องยศรรกุลบุตรเรื่องสหายสี่คนของพระยาศาเรื่องสหายห้สคนของพระยาศาเรื่องทรงพระอรหันห์หกสรูปไปทุกทิศเรื่องมาร เรื่องทรงแสดงธรรมโปรดพัทธวคี30สคนเรื่องปาฏิหาริย์ที่ตำบลอรุเวลาเรื่องชดินสามพี่น้องเรื่องโรงบูชาไฟเรื่องเท้ามหาราชทั้งสี่เรื่องเท้าสักกะเรื่องเท้าสัมบดีพรมเรื่องชาวอังคะและมคตเรื่องผ้าบังสุกุลเรื่องสระโบรกกรณีเรื่องขยำผ้าบังสุกุลบนศิลาเรื่องพาดผ้าบังสุกุลบนต้นกลุ่ม เรื่องพึงภาพบางสุขุนบนแผ่นศิลาเรื่องต้นว่าเรื่องต้นมะม่วงเรื่องต้นมะขามป้อมเรื่องดอกปาริฉัตรเรื่องพวกเชดินผ่าฟืนเรื่องพวกเชดินก่อไฟเรื่องพวกเชดินดับไฟเรื่องพวกเชดินดำน้ำเรื่องภาชนะใสายไฟเรื่องฝนตกน้ำท่วมเรื่องทรงแสดงอาทิตตะปรยาเยสูตรใกล้แม่น้ำขยาเรื่องประทับณสวนตาลนุ่ม เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคุรัฐเรื่องสารีบุตรและโมฆลลานะบรรพชาเรื่องกุลบุตรมีชื่อเสียงบรรพชาเรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเรื่องการประนามเรื่องพราหมณ์สู้ผอมเพราะไม่ได้บวชเรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควรเรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ท้องเรื่องการบอกนิสัยแก่มโนปก่อนบวชเรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะเรื่องอุปชามีภาษาเดียวให้กุลบุตรอุปสมบท เรื่องอุปชาโง่เขาเรื่องอุปชาหลีไปเรื่องถ <TI> ือนิสัยอยู่10บพรรษาเรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบเรื่องทรงอนุญาตให้ประนามเรื่องอาจารย์โง่เขาเรื่องนิสัยระงับจากอุปชาและอาจารย์เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์หเรื่องให้ผู้เคยเป็นอัญญาเดรธีอุปสมบทเรื่องผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีเปลือยกายเรื่องผู้เคยเป็นเดรธีเปลือยกายไม่ปลงผม เรื่องให้เชดินบูชาไฟอุปสมบทเรื่องอัญญะเดรถีสักยะเรื่องอาพาธห้าที่กรุงราชคฤื้เรื่องราชพัฒบรรพชาเรื่องโจรองค์ุริมานบรรพชาเรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงอนุญาตเรื่องโจรแห่เครื่องจำบรรพชาเรื่องโจรถูกออกหมายจับบรรพชาเรื่องบุรุษถูกเคี่ยนด้วยไหวบรรพชาเรื่องบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชาเรื่องลูกหนี้บรรพชาเรื่องทาตบรรพชา เรื่องบุตรช่างทองผมจุกหแยมบรรพชาเรื่องเด็กชายอุบาลีบรรพชาเรื่องให้เด็กอายุย่นกว่า15ปีของตระกูลมีศรัทธาบรรพชาเรื่องสมมเนนกันตกะเรื่องทิศทั้งหลายครับแคบเรื่องการอยู่ถือนิสัยเรื่องราหุนกุมารเรื่องสิขาบทของสมมเนนเรื่องสมมเนนอยู่อย่างไม่เคารพเรื่องการลงทันตกรรมสมมเนนเรื่องลงทันตกรรมห้ามสมมเนนเข้าสังขารามทุกแห่ง เรื่องลงธนกัมมห้ามฉันทางปากเรื่องการกักกันสมบูรณ์โดยไม่บอกอุปชาเรื่องการเกลี้ยกล่อมสมบูรณ์เรื่องนาสนะสมบูณกันตะกะเรื่องบันดาบรรพชาเรื่องคนลักเพศบรรพชาเรื่องคนเข้ารีดเดรธีบรรพชาเรื่องหน้าแปลง่กายมาบวชเรื่องคนฆ่ามันดามาขอบรรพชาเรื่องคนฆ่าบิดามาขอบวชเรื่องคนฆ่าพระอรหันมาขอบวช เรื่องคนประทุษร้ายภิกษุณีมาขอบวชเรื่องคนทำลายส่งมาขอบวชเรื่องคนทำ้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตมาขอบวชเรื่องอุพัโตพยัญชนกบรรพชาเรื่องคนไม่มีอุปชาบรรพชาเรื่องให้คนมีสงเป็นอุปชาอุปสมบทเรื่องให้คนมีคณะเป็นอุปชาอุปสมบทเรื่องให้คนมีบรรดาะเป็นอุปชาเป็นต้นอุปสมบทเรื่องให้คนไม่มีบาทอุปสมบท เรื่องให้คนไม่มีจีวรอุปสมบทเรื่องให้คนไม่มีทั้งบาทและจีวรอุปสมบทเรื่องให้คนยืมบาทเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนยืมจีวรเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนยืมบาทและจีวรเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนมือดว้ดวนบรรพชาเรื่องให้คนเท้าด้วบนบรรพชาเรื่องให้คนมือและเท้าด้วนบรรพชาเรื่องให้คนหูวิ่นบรรพชาเรื่องให้คนจมูกแหว่งบรรพชา เรื่องให้คนหูวินและจมูกแหว่งบันพชาเรื่องให้คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบันพชาเรื่องให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบันพชาเรื่องให้คนเอ็นขาดบันพชาเรื่องให้คนมีมือเป็นแผ่นบันพชาเรื่องให้คนค่อมบันพชาเรื่องให้คนเตี้ยบันพชาเรื่องให้คนคอพอกบันพชาเรื่องให้คนถูกสักหมายโทษบันพชาเรื่องให้คนมีรอยเคี้ยวด้วยหวายบันพชาเรื่องให้คนมีไม้จับบันพชาเรื่องให้คนเท้าปุก บรรพชาเรื่องให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาเรื่องให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรรพชาเรื่องให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาเรื่องให้คนง่อยบรรพชาเรื่องให้คนกระจอกบรรพชาเรื่องให้คนเป็นโรคอามาพาดบรรพชาเรื่องให้คนเคลื่อนไหวไม่ได้บรรพชาเรื่องให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาเรื่องให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาเรื่องให้คนใบ้บรรพชา เรื่องให้คนหหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดทั้งใบบรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งใบทั้งหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดใบและหนวกบรรพชาเรื่องให้นิสัยแก่อรหีเรื่องถือนิสัยอรหีเรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสัยเรื่องภิกษุไขไม่ต้องถือนิสัย เรื่องภิกษุอยู่ป่าไม่ต้องถือนิสัยจนกว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยจะมาเรื่องพระมหาคสปะนิมนต์พระอ น, นุ์มาสวดอนุสาวนาเรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อนเรื่องอุปสมบทครั้งละสมคนโดยมีอุปชารูปเดียวเรื่องพระกุมารคสปายุไม่ครบ20ปีอุปสมบทเรื่องผู้ถูกโรคเบียดเบียนอุปสมบทเรื่องถามอันตรายยกรรมกับอุปสัมปทาเปียคะ เรื่องสอนซ้อมก่อนถามอันตรายยิรร่งกระเรื่องสอนซ้อมในถ้ำกลางสง์เรื่องภิกษุโง่เข่าสอนซ้อมเรื่องภิกษุยังไม่ได้รับสมมุติสอนซ้อมเรื่องวิธีสมมุติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อมเรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมบทาเปรียขาเดินมาพร้อมกันเรื่องคำขออุปสมบทเพื่อยกขึ้นเป็นภิกษุเรื่องยติจตุตกรรมอุปสัมบทาเรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสัยสี เรื่องทิ้งอุปสัำบันไว้ตามลําพังเรื่องภิกษุถูกสง์อุเคกปณียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติเรื่องภิกษุถูกสง์อุปเบกปณียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติเรื่องภิกษุถูกสงอุเคกปณียกรรมเพราะไม่สาระทิฏฐีบาภมหาคันท ก, กะจบ